ผู้ประดับกายประพฤติ ธ, ธรรมพระพุทธภาษิตอลังกัโตเจปิสัมัญจริยะสั้นโตดันโตเฮียโตบ ร, รมจารีสัพเบสุภูเตสุนิทายะดันดังโซปราโม โ, โซสมโนจะแปลความว่ า, วาบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่แต่หากเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นผู้สงบฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมั่งั้งสี่ ประพฤตษพรหมจันทร์ละทิ้งอาทยาในสัตว์ทั้งปวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพามก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ภิกษุก็ได้อธิบายความการประดับกายเป็นปกติอย่างหนึ่งของคนมนุษย์ทั้งสองเพศมีความโน้มเอียงในการประดับกายด้วยเสื้อผ้าอาพรเครื่องอลังการแต่สตรีเพศมีความรู้สึกพิถีพิถันจับใจในการประดับกายมากกว่าบุรุษเพศ การประดับกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามเป็นการแสดงตัวในทางเด่นอย่างหนึ่งทําให้ผู้ประดับมีความรู้สึกภาคภูมิเมื่อรู้สึกเติรนว่าแต่งตัวสวยกว่าคนอื่นหญิงบางคนยอมอดอาหารที่ชอบเพื่อเกียรเงินไวซ้ซื้อเสื้อผ้าพแพร่พันเครื่องอภรร์ประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายได้สวยงามเธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคม แต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่ทิ้งหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหน่อยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคมปัญหาว่าเราแต่งกายเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นงงในแง่หนึ่งเส ม, มือนว่าเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่โดยลําพังเราไม่อยากแต่งกายเมื่อเราอยู่ในห้องของเราโดยลําพังไม่มีใครอยู่ด้วยเราไม่มีความประสงค์ในการประดับกายเลยในประเทศร้อนชายจะไม่สวมเสือ้อ นุ่งผ้าแต่พอปกปิดส่วนที่เพึงละอายแต่เมื่อต้องออกสมาคมจึงแต่งกายยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิธีพิษณุในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในแง่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมือนว่าเราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคม เพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเลื่อมใสในตนเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมกักพิถีวิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบโชว์ตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำชมว่าแต่งกายงามก็มักเ อ, อืบอิ่มใจและพอใจในตนความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงกันข้าม ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิธีพิธานในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามและต้องการให้เพศตรงกันข้ามสนใจในตนความพิธีพิธานในการแต่งกายนี้จะดำเนิอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้วคือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้ามสตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้ว เพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออุดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องเข้าสมาคมเพื่อบมเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสําคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้กล่าวแล้วว่าสตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นไม้และยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิถีพิถันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีก แสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงกันข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปร่างและการแต่งคายของตนท้งนี้เพื่อทำให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับรักตนในที่สุดหญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งคายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุคลิก อันสมเป็นชายของชายนั้นแต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันหมายถึงสังคมที่จเจริญแล้วถือว่าการแต่งกายเป็นส่วนสัพันส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียวมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดี รูปงามแต่ใจสกปรกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีตาแหน่งใหญ่โตมากก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากทั้งนี้เพราะการศึกษาทางวิชาการทางโลกเพื่อมุ่งผลในการประกอบอาชีพนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปล ง, ปลงนิสัยชั่วดังเดิมของคนให้ดีได้เลยจริงอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยการควบคุมตนเองติดต่อกันเป็นเวลานานบุคคลอาจดีขึ้นได้บ้างแต่ในคุณลักษณะส่วนรวมแล้วอุปนิสัยของเขายังคงอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเสือดาวไม่อาจรบจุดในกายของมันได้ในชาตินี้ทั้งนี้เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นเสียแล้วอุปนิสัยของขนจอมแตกต่างกันไปเพราะผลรวมแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังสารวัตอันยืดยาว เราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากบุคคลต่างๆที่เราได้พบเห็นหรือรู้จักว่าแม้จะมีการศึกษาอบรมเหมือนกันให้หนักเข้าไปอีกคือเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไหมคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมิได้ทําให้แค่เรื่อของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะให้แค่เรอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปเท่าน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่ว ในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยและบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆถ่ยายเอาน้ำเสียออกแล้วบรรจุน้ำดีเข้าไปแทนที่ขอพูดเลยไปถึงการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ทําให้คนทนงตนในทางผิดคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีปริญญาเขาเป็นปัญญาชนแต่เขาหาได้นําพาต่อสิรร่งรำจริยาหรือความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ประการใดไม่ เขาประพฤติตามใจตนไม่ได้ยอมเสียสละความสะดวกของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวมการศึกษาเพื่อปริญญาเพื่อประกอบอาชีพแต่ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมจัร ญ, ญาไม่ได้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองคือการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์นั้นความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนรู้คือสามารถนําเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ความมีมโนธรรม ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่จะต้องควบคู่ไปด้วยกันท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าหน้าไปได้เท่าที่ควรก็เพราะสังคมยังรกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัดจนยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึง การโกงเงินสร้างถนนสร้างสะพานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวมสมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลสีหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดโนโยบายทจึงทำลงไปอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองยังรกอยู่ด้วยคนแต่งกูซีสวยแต่ขาดทำประจำใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ทำจึงเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ผลดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมย่อมออกมาจากคนที่มีธรรมหาใช่มาจากคนไร้ธรรมไม่เครื่องแต่งกายควรจะควบคู่ไปกับการมีธรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลแม้ยังประดับตกแต่งกายอยู่พึงเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตพึงประพฤติธรรมเป็นผู้สงบและฝึกตนเป็นตน้นจะพนานาบางหัวข้อต่อไปนี้ข้อว่าผู้สงบนั้นคือสงบกายวาจาและใจมีกาย วาจาใจาสงบกายและวาจาจะสงบก็ต่อเมื่อใจสงบก่อนในความหมายทั่วไปประเทศที่สงบคือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายเป็นบ้านเมืองสงบแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าความสงบเพียงเท่านั้นหาเพียงพอแก่ความต้องการของชีวิตใหม่เพราะแม้จะไม่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเบียดเบีย น, นตนเองไม่ คือตนยังเบียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทําให้ร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายในแสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกขโทมนัตความร่ําไรรําพันสมดังที่ตรัสว่านาคิตะคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนาคิตะที่ราปาอิอิจฉานางคะะแควโงโกศลเมื่อพราหมณ์และข่าวบดีเป็นอันมากมาเฝ้านําของเคี้ยวของฉัน มาเป็นอันมากยืนชุนุมส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูนาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าลาบสการะแล้วลาบสการะประเภทอาหาราการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจระพศ ะ, ะทํานองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ําไรรําพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า เมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบกว่าหาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไหมความสงบแท้จริงหรือสันติภาพฐาวร น, นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ไฟของส่วนรวมก็จะหดับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็นสันติภาพฐาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึ่งเมื่อสงบตนเองได้แล้ว เพื่ช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าสั้นโตโซโภคะวาสมทายะธ ร, รังเดเ ซ, เซติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดีจะพัฒนาความเรื่องนี้พอสังเกตหนึ่งการฝึกกายวาจาคนเราเกิดมาทุกคน เหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ครุขระไม่สม่เสม อ, เ, สมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทําสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังกลายเป็นเรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลู ก, กวัวลู ก, กวายไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ดูไม่งามมีกิริยาไพา่วาจาไพ่ ใครได้เห็นได้ฟังก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เสียหายเพียงเด็กเท่านั้นแต่เสียหายไปถึงพ่อแม่ด้วยเขาจะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งใส้สอนจึงขาดสมบัติผู้ดีคนฉลาดต้องคอยสังเกตเลือกเก็บกิริยาวาจาที่ดีมาประดับตนค่อยๆขับกิริยาวาจาไม่ดีออกจากตนสิ่งนี้ถึงแม้ไม่มีคนสอนโดยตรงก็มีคนสอนโดยอ้อมให้เห็นอยู่ทุกวันนั่นคือกิริยาวาจาของผู้อื่นที่เราได้เห็น เราย่อมตัดสินได้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างที่ดีเราเอามาเป็นอย่างที่ไม่ดีถ้ามีอยู่ในตัวเราเราขับไล่ออกไปในการฝึกฝนนี้ต้องช่วยกันหลายด้านคือพ่อแม่ช่วยสอนช่วยตักเตือนครูอาจารย์ช่วยบอกข้อบกพร่องเพื่อนฝูงคอยชี้ข้อผิดพลาดเราผู้เป็นคนกลางต้องทำใจให้กว้างยินดีรับฟังคำเตักเตือนสั่งสอนแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนการขัดเกลาร์เป็นหน้าที่ของเราโดยตรง นั่นคือการลงมือปฏิบัติตามฝึกจนเป็นนิสัยเมื่อนานเข้าสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนแยกออกไม่ได้เหมือนผลไม้ดองสิ่งที่นำมาดองกับผลไม้ซึมซ่าะสมประสานเข้าในกันอย่างสนิทไม่อาจแยกจากกันได้คนฉลาดต้องฝึกฝนตนเองรู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆ น, น้อยๆของตนไม่ประมาทว่านี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทําให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้ เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆ ข, ของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูหน้าเกรงขามน่าครบนับถือหน้ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วย ต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสําคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเองเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยฝึกผู้อื่นด้วยดังเช่นพระศาสดาจะพนานาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรีย์ตามปกติสามัญมนุษย์ เมื่อเห็นรูปสวยย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลกใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกระสัดบ้างนั่นมิใช่ทัศนานุตริยคือมิใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้นคนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็เหมือนกัน ชอบมองขนมที่รูปงามนี่คืออินซีตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลามาตามทางสายนี้เข้าไปซึ้มซาบอยู่ในดวงกิจอินซีคือจักสุที่ได้รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อรูปที่สวยงามได้มากกว่าจักสุที่ยังไม่ได้ฝึกคืออาจมองก็ได้ไม่มองก็ได้เมื่อมองดูก็มีสติกำกับ ไม่ได้หลงไหลในรูปจนต้องทําบาปเพราะรูปนั้นเป็นเหตุแต่กลับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู่กับความงามนั้นเหมือนความงามของสตราและผละไม้หรือดอกไม้ที่เป็นพิษมันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันอินทรีย์ทั้งหกนี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์หกชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกําเนิดต่างว่าลิง นกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เร่ลงน้ำถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้งหกนี้มาผูกติดกับตัวเราสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการฝึกมันจะดึงตัวเราไปอย่างไรบ้างเราจะได้รับความสงบอย่างไร การฝึกจิตก็คือการฝึกอินทรีย์นี้เองแต่จิตเป็นอินทรีย์ภายในที่เรียกว่ามะนิรียมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอินทรีย์ภายนอกเมื่อจิตสงบลงด้วยสมถะหรือวิปัสสนาความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสาธิอดอาหารหมดกําลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกจึงต้องทําไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่ รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกําลังกายไปพร้อมๆกันจิตที่ฝึกแล้วนี่เองเป็นจิตที่มีอนุภาพมีความสูงส่งบริสุทธิ์สงบและสว่างเป็นคุณแก่ผู้ฝึกโดยส่วนเดียวบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นค ร, า ว, ารว่าก็ตามเป็นบรรพจิตก็าตามย่อมได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นสมณะบ้างเป็นภิกษุบ้างดังเรื่องสัน ต, ติมหาอมาตเป็นตัวอย่าง สัน ต, ติมหาอามาตย์เป็นมหาอามาตย์ของพระเจ้าประเสิทธิโกศลแห่งสาวัตถีนครครั้งหนึ่งมีคนก่อความวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าประเสิทธิทรงส่งสัน ต, ติมหาอามาตย์ไปปราบเขาปราบได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วปรับมาพระเจ้าประสิทธิทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบราชสมบัติให้ครองเจ็ดวันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอามาตย์ที่สามารถปราบ หรือทำความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้ได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องให้นางหนึ่งสันติมหาอมหาเมาสุราอยู่ถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดนั่นเองหลังจากเมาสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไป่าน้ำเพื่ออาบน้ำได้เห็นพระาศาสดาในระหว่างทางเขาพงกษศรีรษะแสดงความเคารพพระาศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอนนทูล ถ, ถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่า อานุนวันนี้สันติมหาอามานนี้จากมาสู่สำนักของเราฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุอาราหันตผลและจกปรินิพานที่พระศาสดาตรัสกับพระอานุนนั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพล่อยสันติมหาอามานเบาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสาเร็จอาราหันตผลได้อย่างไร ในวันนี้พวกเราจักจับผิดพระสมณะโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้า ก, ก็คิดว่าวันนี้พวกเราจักได้เห็นพุท ธ, ธานุภาพและลีลาของสันติมหาอัมาตสันติมหาอ ม, ตตมาต อ, อาบน้ําตามประสงค์แล้วไปสู่อุทยานนั่งดื่มสุราที่โรงสุราอันจัดไว้เฉพาะพร้อมกับนั่งชมการไล่ระบำกรำฟ้อนของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกแล้วหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กําลังฟ้อนอยู่นั่นเอง ล้มลงตายทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกําลังเพราะนางบริโภคอาหารน้อยเหลือเกินมาเจ็ดวันแล้วเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออ่อนช้อยปากของนางอ้าตาเหลือกสิ้นใจโดยไม่ให้โอกาสแก่การช่วยเหลือสันติมหามาทราบว่านางตายแล้วมีความโศกอย่างลึกซึ้งสุราที่ดื่มมาเจ็ดวันสิน้นฤิ์ลงทันทีเสมือนหยาดน้ําน้อยหยดลงไปในภาชนะที่ร้อนจัดบนเตาไฟพลันระเหิดหายไป เขาคิดว่าคนอื่นนอกจากพระศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วคงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลนายเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอาวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระศาสดาตรัสตอบว่าท่านมาสู่สนาของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วยาววิตกเลยอันที่จริง น้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัตินี้ในเพราะหญิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วทรงเสริมพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าท่านจงตัดกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจักเป็นผู้สงบประงับเพียงเท่านี้สัน ต, ติมหามาตได้บรรลุอรหัตผล พิจารณาอายุสังขารของตนทราบวา่าอายุขายสิ้นแล้วจึงทูลลาพระศาสดาเพื่อปรินิพานพระศาสดาทรงทราบอริยกรรมของมหาอามาตและมีพระประสงค์ให้ข่าวประกาศบุพกรรมนั้นเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อให้พวกมิจฉาทิฏฐิผู้คอยจับผิดพระองค์ได้มองเห็นว่าพระองค์มิได้พูดเท็จเพื่อให้พวกสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมลีลาของพระองค์ และลีลาของสันติมหาอามาตย์ได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จึงตรัสกับมหาอามาตย์ว่าถ้าประนั้นขอท่านจงเล่าบุพกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศสันติมหาอามาตย์ถวายบังคมพระาศาสนาแล้วห่อขึ้นไปในอากาศประมาณเจ็ดขั่วล้ำตาลทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดในพันธุมมดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอ เป็นกรรมไม่ตัดร้อนบีบพันไม่เบียดเบียนผู้อื่นใคร่ครวญอยู่หลายเห็นการเปล่าร้องให้คนทําบุญนั่นแหลเป็นกรรมไม่มีโทษจําเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรยัยเพราะรันตน์อื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยไม่ได้มีพระราชาแห่งพันธมดีนครทรงทราบจึงพระราชทาน มา้ารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชทานโภคะเป็นอันมากแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทํางานนั้นอยู่ถึงแปดหมืนปีกลิ่นจันฟุงออกจากกายกลิ่นอุบลฟุงออกจากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอามาทูลบุพกรรมของตอนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองเข้าเตโชกสินคือกสินมีไฟเป็นอารมณ์ บันดาลให้เปลวไฟเกิดขึ้นไม่สรีระประนิพาแล้วธาตุทั้งหลายประดุดดอกมะลิร่วงลงพระศาสดา ท, ทรงครีพราขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สาการบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองพิศุทธทั้งหลายสนทนากันในสภาว่าท่านทั้งหลายสันติมหาอามาต์ฟังพระพุทธพน์แล้วยังประดับประดาเครื่องอภรณ์ทุกอย่างนั่นเอง บรรลุพระอรหันตผลตรินิพพานแล้วควรหรือไม่เนาะที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์พระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสริฐดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น